คือทวีสวดีนะคะท่านฟังที่ครบคะ่ะโดยการสรัส น, นิสนทนาค่ะก็มาพบกับท่านฟังจริงๆแล้วในรายการนี้ต้องชื่อว่าเป็นรายการท่านอาจารย์ภัยบูรณ์สนทนามากกว่ามั้งคะเพราะว่าท่านดําเนินรายการส่วนใหญ่เลยนะคะที่ฉันเองเนี่ยมาเฉพาะช่วงวันพรหัสสวดีกับวันศุกร์รายการนี้จะชื่อไหนไม่สําคัญนะคะแต่สาระสําคัญนั้นสําคัญมากเลยเป็นการที่ ท่านเพบูเนี่ยคะ่ะได้นำเอาธรรมะที่พระศาสดาได้ตรัสสอนไว้ก่อนที่จะปรินิพานแล้วมีอายุยืนนานมาตั้งสอง0ันหรปีเสร็จแล้วนะคะให้คนที่ได้เข้าถึงได้ใช้ลดความทุกข์ที่มีอยู่พวกเราเองก็โชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าและท่านได้เจอรายการนี้ดิฉันก็ว่าน่าจะโชคดีนะคะเนื่องจากเป็นรายการที่ จะให้ทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะกับได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับการนําของผู้อำนวยการหลักสูตรอีกเล้น mm hmm. ก็คือท่านเพรบุญที่ดําเนินรายการอยู่ท่านนําอยู่ที่วัดป่าดอนหายศกจังหวัดอุดรธานีด้วยตัวของท่านเองที่นี่นะคะนาทีหลังจากที่ดิฉันได้แนะนําให้ท่านได้ไปกราบนมัสการท่านต่อไปนี้ก็จะได้เริ่มปฏิบัติกันเลย นมัส ก, การท่านคะเดิมปอนเรามาเริ่มกันฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันซะก่อนวิธีการเริ่มการปฏิบัตินั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะเริ่มได้ด้วยการที่ให้เราตั้งสติขึ้นสติ น, สตนี้เป็นคุณธรรมอันแรกเลยที่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ตอนที่คิดว่าจะไปบอกสอนปัญจวัคคีหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนี่ย ก็ได้คิดถึงคุณธรรมคือสติปตานตั้งสีสติปัตานี่คำว่าสติปตตา น, นี้หมายถึงฐานที่ตั้งของสติอาจจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งก็ได้จะใช้เวทนาคือความรู้สึกเป็นฐานที่ตั้งก็ได้จะใช้จิตหรือว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้สตินี้คือการระลึกได้ระลึกถึงอะไร ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้คามาสติที่เราจะอาศัยสติปานตั้งสีมีกายหรือเวทนาเป็นต้นเนี่ยแล้วให้สติของเราตั้งขึ้นเรื่องมือที่พระพุทธเจ้าท่นได้บอกสอนอไว้ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันบางทีก็ได้พูดถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพุทานุสติบางทีก็จะพูดถึงการระลึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติ ในที่นี้เราจะใช้การระลึกถึงลมหายใจก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติให้ท่านผู้ฟังลองมาระลึกนึกถึงลมหายใจนั่นคือการสูดลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวๆสักสองสาครั้งเรารับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนที่มันมากระทบอยู่ด้านในโพรงจมูกเนี่ยเราเอาจิตเราตั้งไว้ณนะที่ตรงนั้นอันนี้คือเราไม่ต้องตามลม ไม่ต้องบังคับลมให้มันสั้นหรือมันยาวให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวประพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับนายทวานหรือว่ายามนี่แหละยามเวลาเขาฝ้าประตูเขาอาจจะเดินไปตรวจตรงนั้นไปตรวจตรงนี้ไปห้องน้าเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับมาที่บริเวณประตูเช่นเดีวยวกันจิตของเราบางทีมันไปคิดเรื่องนู้นบางทีมันมาคิดเรื่องนี้ เดี๋มันได้ยินเสียงนั้นด้วยเนี่ยเอาเราจะไปที่ไหนกันแล้วแต่แต่ให้ระลึกถึงอยู่กับลมหายใจนี้อยู่เรื่อยๆบางทีมันลืมไปเนีเผลอลมหายใจไปคิดเรื่องเอ๊ะวันนี้จะทําอะไรเอาได้กลิ่นอันนี้โอข้างบ้านเขาทํามานั้นแม่น่ากินจังอา้าวให้เราอย่าลืมหลงลมการที่ไม่ลืมหลงลมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติละในขณะที่ไม่ลืมหลงลมมีสติอยู่เนี่ย บางทีเราก็มีความคิดนึกไปด้วยอันนี้มันธรรมดาแตนะมีหูก็ต้องได้ยินเสียงมีสมองก็มีความคิดมีแขนขาบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างมีจ ม, มูกก็ได้กลิ่นอันนี้ธรรมดาเวลาที่เรารับรู้สิ่งต่างๆเราไม่ลืมหลงหลมอันนี้ไม่ธรรมดานะเพรแปลว่าคนที่เขาเป็นคนธรมธรมดาเป็นปุถุชนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้มาฝึกสตินาะจีเขาก็เจอไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบูก เสียงดึงไปผ่านทางหูถูกกลิน่นดึงจิตไปผ่านทางจมูกอันนี้คนธรรมดาเขาก็จะไหลไปตามโลกไปตามเรื่องของโลกแบบนี้แต่คนที่ไม่ธรรมดาคนที่จะเหนือคนธรรมดาจะเรียกว่าเป็นยอดมนุษย์ก็ได้สามารถที่จะไม่ไปตามกระแสะโลกอย่างนั้นสามารถที่จะเหนือกระแสะของโลกด้วยการตั้งสติขึ้นมีกระแสะมาอยู่ก็จริง ได้ยินเสียงอยู่เห็นภาพอยู่แต่ว่าไม่ไปตามกระแสนั้นสามารถที่จะมีสติกำกับรักษาดูแลจิตไว้ได้จิตที่มีสติรักษานั้นสามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลและทำได้สามารถที่จะปรุงแต่งคิดนึกพูดทำให้อยู่ในตามคันลองอยู่ในตามทางทางนั้นก็คือมรรคแนั่นเองเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี้ย จะทำมห้อริยมรรคมี8เจริญขึ้นได้ในระว่าในขณะที่เราตั้งสติขึ้นมารู้ลมหายใจทิฏฐิที่เราตั้งไว้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิความคิดนึกความดำริอะไรมันอาจจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่ส่วนใหญ่ความคิดนั้นก็จะเป็นสัมมาสังคัปปะศีลเราก็รักษามีดีอยู่แล้วความเพียรที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสัมมาวาจา สามารถทำอริยามรรคมีองค์แให้เจริญึ้นได้บุคคลที่มีอริยามรรคมีองค์แนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีตั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นผู้ที่เดินอยู่บนหนทางในการที่จะไปถึงนิพพานทําเจ้าตนา น, นั้นให้สิ้นได้เราให้ตั้งสติไว้อยู่กลมหายใจนี้ตลอดทั้งวันในเราก็จะหายใจอยู่แล้วก็อย่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมลงลมหายใจฟังธรรมก็รู้ลมไปด้วย เดินทางทำงานอะไรก็ให้มีสติอยู่กับลมายใจเราสามารถทำได้แน่นอนจริด้ปอ์สตุคค่ะสติสำคัญมากใช่ค่ ะ, คะก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าพูดกันอยู่ตลอดเวลาในรการนี้แหละนะคะพูดทุกวัน ที่ท่านสอนทุกวันนี้ก็สรุปได้เลยไหมคะว่าเป็นการสอนให้ทุกคนได้มีสตินั่นเองใช่ใช่ในจริงจรแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนตลอด45ปีเนี่ยก็พูดเรื่องนี้แหละนะคื อ, ค, อคือเรื่องมรรคแปดเนี่ยนะคือเรื่องอะเรียมเมีวแปดนันก็จะจะสอนอยู่ในนี้เท่านั้นเองในช่วง45ปีค่ะ<ม>พูดถึงการมีสติในบางครั้งสถานการณ์มันก็ทําให้ครองสติไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในที่ที่มี การก่อการร้ายนะคะอย่างกรณีที่เมือง น, นีสนี่ก็รุนแรงหน่อยรถบรรทุกบุกลุยทับคนดะาตายกันไปเกือบร้อยเอานั่นก็คิดว่ามันเป็นกรณีที่เขาจัดงานขึ้นมาคนวุ่นวายใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกโลกจะมีแต่ความโหดร้ายน่ากลัวไม่เลือกที่ไม่เลือกทางไม่เลือกเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่ว่า อะไรล่ะมีสถานการณ์ฆ่ากันนะนะค่ะคือเหมือนประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยจัดว่าเป็นประเทศที่สงบมีอาณาจักรเกิดน้อยใช่ค่ะเกิดการฆ่ากันหมู่อย่างนี้โดยที่เหมือนกับเป็นการุณยฆาตหรือเปล่าที่บอกว่าไปฆ่าเพราะไม่อยากเห็นมีคนพิการอยู่โลกใบนี้นะคะแล้วตามถัดมาก็ยังเนี่ยค่ะท่านก็คงสร้างบวคะที่ฝรั่งเศสอืที่บอกว่า ไปจับตัวประกันแล้วก็มีการค่าบาดหลวงอืมใช่ไหมคะแล้วยังมีที่เยอรมันอย่างเงี้ยค่ะโลกเดี๋ยวนี้คนไปมาหาสู่กันง่ายมากยิ่งขึ้นไปเที่ยวก็เยอะอืมอาจจะเคยเลือกว่าอาประเทศแบบนี้เราอย่าไปในวันแบบนี้เราอย่าไปในที่แบบนี้เราอย่าไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเอมันน่ากลัวไปทุกที่แล้วสติชักจะคลองไม่ค่อยได้อืมใช่ ในฐานะเป็นชาวพุทธเราควรทำอย่างไรดีคะเราเรามาทำความเข้าใจสถานการณ์ในจุดนี้สนิทหนึ่งก่อนนะคุณยมติ<ฆ>คือเนื่องจากว่าโลกเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสกระแสของโลกก็คือกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มันจะมาในรูปของรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณอันนี้คือมาทางอเยตนา6ในเรื่องของขันหเนาะนี่คือเขาเรียกว่าโลก ทีนี้ที่เราบอกว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกับเมื่อสักเอา20ปีที่แล้วอย่างนี้นะย่สิบปีที่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้มันยังไม่มากเท่ารวดเร็วเท่าสมัยปัจจุบจันนี้ทำไมสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแ ป, ป, ปลงรวดเร็วและมากเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันถึงการการเดินทางมันใกล้ชิดกันแล้วก็ผู้คนมากขึ้นทําให้กระแสพวกนี้มันมากนี่ยก็คือกระแส ของโลกเนี่ยมันรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีกระแสผ่านเข้ามานะผ่านต่างๆหชจมุกลิ้นกายและใจของเรารับรู้ถึงกันหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราไปตามกระแสเราก็จะขึ้นลงตามกระแสของโลกมากนะถ้าเราไปตามกระแสนะเราก็จะขึ้นลงตามกระแสของโลกมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มากนั่นะก็คือคุณไปตามโลกไงโลกนี้คือทุกข์ทุกนี้คือโลกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไป ตามโลกคุณก็ไปตามทุกทุกก็เป็นของคุณคุณก็จะมีความทุกข์เราก็จะรู้สึกว่ามีความทุกข์ทีนี้ความทุกข์ที่มันจะออกมาตรงนี้มันก็จะออกมาแล้วก็จะมีราคาโทสะโมหะปนมาด้วยนะคือถ้าคนไปตามกระแสโลกนะคุณโยมติวน ะ, ะถ้าคุณไปตามกระแสโลกเบืบเนี่ยราคาโทสะโมหะก็จะตามมาในคืนนี้คือเรื่องของกิเลสคําว่าไปตามกระแสนะี่คือคุณไปตามกระแสของตัณหาล่ะทําไมทําไมถึงว่าอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าจะวิเคราะห์ให้ฟังนะ ว่าคือโลกมันไปตามของมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปตามกระแสะโลกเนี่ยอะไรทําให้เราไปติดตามกระแสะโลกนั้นคําตอบของคําถามนี้คือตัณหาค่ะคื อ, คอโลกมันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะโ อ, โอเคไหมต่อใหเออ้เราไม่ได้ทําอะไรโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้มีตาหูเป็นต้นทีนี้เราไปตามกระแสะมันที่เราไปตามกระแสะมันเนี่ยเพราะตัณหาพอมีตัณหาปุ๊บนะราคาโตซาโมะก็จะตามมาด้วยทีนี้พอราคาโตซาโมะ ตามมากับเจ้าธนาเนี่ยมันก็จะทำให้คนไปคิดพูดทําไม่ดีออกมาในรูปของการฆ่ากันอันนี้คือการกระทำทางกายละด้วยอำนาจของราคะหรือโทสะอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เป็นก็ปาดจ้าโกรธที่เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเพอเขาไม่เป็นก็ปาดจ้าคือฆ่าเขาอย่างนี้นะคือมีราคะโทสะโมหะเข้าใจผิดอะไรต่างๆทาให้มีการฆ่ากันจะเป็นผลของกัน ทำ่เราเห็นองเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ตามกล่าวต่างๆเพราะว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาไปตามกระแสโลกล่ะโดยความคิดด้วยการสื่อสารการเดินทางไปตามนั้นทีนี้เราต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นคือถ้าในทางโลกเขาก็จะต้องตามจักผู้ร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆถูกไหมถูกว่าการแล้วคุณก็ปล่อยไปหรือว่าไปอยู่ในคุกก็ว่ากันไปตัดสินอย่างไรทีนี้ในทางธรรมะเนี่ย พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคุณโยมที่อท่านเป็นผู้ที่มองการไกล่คือท่านจะแก้ที่ต้นเหตุแต่ท่านจะไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุอย่างตามระบบกระบวนการยุติธรรมแล้วนะท่านจะแ<ช>ก้ที่ต้นเหตุก่อนที น, นี้การแก้ที่ต้นเหตุของท่านเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้อาจาวิสาสตราคือถ้าเป็นนักการเมืองเขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาก็จะออกกฎหมายแต่ว่าห้ามพวกอาวุธบ้างห้ามคนแบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนะคือ<ช>เป็นการออกกฎหมายเพื่อที่จะแก้ที่ต้นเหตุ จริงๆนั่นคือก็ยังเป็นการใช้กฎหมายกฎหมายนี่คือเป็นอาญาและสัตระเป็นอาญาและสัตระคือคื อ, อถ้าสมมติเราเอาอกกฎหมายสักมาตราใดมาตราหนึ่งออกมาอย่างนี้นะกฎหมายบอกว่าให้คุณทําแต่ถ้าเราไม่ทําก็ก็จะมีบทลงโทษแต่ตรงนี้เรียกว่าเป็นอาญ า, า, าคืออาญาคือคือฆ่าโทษคุณนะอันนี้คืจึงเป็นกฎหมายกฎหมายนี้เป็นอาญาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาก็ตาม หรือออกกฎหมายว่าคุณห้ามทํำอันนี้ถ้าคุณทํานะคุณต้องถูกปรับเท่านี้ถูกจําคุกเท่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกฎหมายคือขู่คุณไว้ก่อนไม่ให้คุณทําแต่ยังไม่ลงโทษนะทีนี้พอมีอา ญ, ญามีการออกกฎหมายก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ศาสตราจริงต้องเข้ามากระบวนการยุติธรรมเนาะอันนี้คือระบบทางโลกเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มองการไกลมองการไกลท่านก็จะแก้ที่ต้นเหตุด้วย แล้วก็จะไม่ใช้อาญามไม่ใช้สาตรหนังกระบวนการก็จึงอย่างที่เราทราบกันสิ่งที่ตะนันตรัสรู้ก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดอริยาสาัจสีใช้ตรงนี้แหละมาแก่แล้วมันแก้ตรงไหนก็อย่างที่เราทําความเข้าใจกันมาว่าไอคนที่มันทําชั่วเนี่ยเพราะว่าราคะโทสะโมหะทําทให้เขาคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วออกมาให้เห็นตามข่าวนางนังสือพิมพ์เอาทำไมเขาถึงตามเพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยไปตามติดตามกระแสะโลกมากเกินไป เอาทำไมก็ไปติดตามกระแสโลกได้เพราะตัณหาเพราะตนาโลกของมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะโลกมันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วถ้าไปติดตามกระแสมากคุณก็จะมีปัญหาเกือราคะโตะมัวตามมาเอาเราจะทํายังไงไม่ให้ไปตามกระแสมากคุณต้องเอาตัณหาออกเอาตัณหาออกจะทํายังไงให้ตัณหาเนี่ยมันละออกไปได้ตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุของทุกข์เราจะละไม่ว่าจะเป็นความเพลินจะเป็นตัณหาจะสับเจ้าพวกนี้ออกไปได้ คุณต้องทําตามมรรคแหนึ่งในมรรคแปดนี่ก็คือสติอย่างที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเราฝึกสติเนี่ยมรรคแปดตามมาหมดเลยในช่วงที่เราฝึกสติเนี่ยราคะโทสะโมห์มันระ ง, งับลงไปแน่นอนแต่ตัณามันเบาบางลงไปจางคลายลงไปประเด็นมันคือตรงนี้คุณโยมติ ว, ว่าไอ้ที่มันจางคลายไปเนี่ยมันมีอยู่สองแ ง, ง่ตรงนี้แง่แรกคือคุณไม่เห็นมันหรือแบบเป็นโมหะหรือเปล่า คือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นมันอันนี้เกิเป็นลักษณะของโมหะโมหนะนั่นคือความหลงความมืดความบอดความที่มองไม่เห็นหรือแง่ที่2มันอาจจะลดลงจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราเดินตามมรรคจริงๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็ถูกต้องความคิดก็ถูกต้องเนี่ยประเด็นที่2ตัวนี้คือมันกลับกำเริบได้ในบางครั้งบางคราวกลับกำเริบได้ เ่เพราะว่ามันยังมีรากของมันคืออวิชชาอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จึงต้องแบบเหมือนกับบุกการสู้กันะระหว่างสิ่งที่เป็นมัคเนะี่ยเป็นธรรมะกับสิ่งที่เป็นตัญหาที่บัทีถูกอเฉาออกไปแล้วเนะี่ยถูกตัดออกไปแล้วด้วยปัญญามีดคมคมคือมัคคือสมาธิติเป็นต้นเนี่ยสากไปแล้วนะแต่ถ้ารากมันยังอยู่มันก็เติบโตขึ้นมาได้ แต่ประเด็นเรนี้เราต้องแบบไม่ประมาทเล ย, ยงไงเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยแต่เพราะนั้นคนที่เขาตามกระแสะโซเชียลมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบ o ๊กข่าวต่างๆนั่นนี่โน้นเนี่ยก็ถ้าจิตใจยังมีตันหาอยู่นะด้วยปริมาณตานาเท่าเดิมเนี่ยแล้วกระแสะโลกมันเวียงมากเนี่ยเขาก็จะทุกข์มากเกินก็จะทุกข์มากเกินเพราะฉะนั้นยิ่งในกระแสะโลกที่เวียงมากเนี่ยคุณต้องเบาตนหาลงมาก เพื่อไม่ให้มันเวียงมากเข้าใจไหเราต้องยิ่งไม่ประมาทมากกว่าเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติยังไงเอา ก, กลับมาที่จุดเดิมเอาเครื่องมือเรามีอะไรบ้างจะลมหายใจด้วยจะนึกถึงพระพุทธเจ้าจ ะ, ะยังนั่งสมาธิไม่ได้เอางั้นทําบุญให้ทานซะก่อนรักษาศีลซะก่อนพวกเครื่องมือพวกนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นการฝึกไปตามลําดับขั้น ที่จะทําให้เราแบบอยู่เหนือกระแสเหนือกระแสของโลกแต่โลกจะเป็นมาไงเราไม่มีปัญหาเราจะอยู่เหนือกระแสของโลกได้คําว่าเหนือโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าโลกุตระโลกุตระคือเหนือโลกเหนือโลกนี่ไม่ใช่ว่าหลุดโลกนะคุณโยมติ๋วหลุดโลกนี่คือแบบว่าคุณแบบไม่รู้เรื่องอยู่เทือกเ้าไหนไม่ใช่อย่างนั้นแต่เหนือโลกโลกุตระเนี่ยก็คือโลกมากระแสยังไงฉันไม่ไปตาม เน่ยฉันอยู่เหนือจากการควบคุมตามกระแสของโลกคุณอาจะรับข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆแต่จิตนิ่งอยู่ได้เนี่ยจิตที่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนเหนือคนเหนือคนแล้วนะคือคนทั่วไปบางทีรับข่าวนั้นข่าวนี้โอ้ก็ขึ้นลงเวียงตื่นได้ไปตามนั่ยนี่คือคนธรรมดาคือคนธรรมดาเนี่ยเขาจะรักษาศีได้ถูกว่าสีนี้แปลว่า ป, ป, ปกติปกติของคนเนี่ยเขาจะกินน้ําเขาจะไม่ได้กินเหล้าอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคุณเป็นปกติละแต่ว่าจิตใจ บ, บางทียังเหวียงขึ้นเวียงลงตาม ข่าดีข่าวร้ายอาจจะมีบ้างนี่ก็คนทั่วๆไปก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนเหนือคนแต่คนเหนือคนเนี่ยคือจิตใจนี้ต้องมีความมั่นคงละจิตใจนี้จะไม่ได้เวียงขึ้นเวียงลงละพูดง่ายคือมีสติมีสมาธิในระดับที่ไม่ให้มันเข้าไปอยู่ในแดนลบในระดับที่ไม่ให้ไปอยู่ในมิจฉาสังกรประในระดับที่จะทําให้จิตนั้นยังเย็นอยู่ได้นิ่งอยู่ได้อันนี้คือมีโลกุตระธรรม อยู่ในใจของเขานันก็คือสมาธิขึ้นไป น, นั่นเองอยู่เนือโลกไม่ใช่หลุดโลก<ม>ท่านคะประเด็นคือเราต้องพาตัวเราเองไปอยู่เหนือโลกให้ได้อย่าไปเมาหมกอยู่กับกระแสของโลกจะทำให้เกิดกิเลสถูกไหมคะการพระโทสะโมหะและต้องระ ง, งับด้วยการเจริญสติให้จางคลายให้อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระทีนี้ดิฉันจะติดใจ คำที่ไม่เป็นสาระนี่ชอบนักเชี่ยวคำว่าหลุดโลกที่ท่านว่านะคะภาษาพระหรือว่าในทางพระพุทธศาสนามีไหมคะที่เป็นธรรมะของคําว่าหลุดโลกนี่ยคะอหลุดโลกในภาษาธรรมะคือหมายว่าหลุดโลกในภาษาในความหมายของทางที่เราเข้าใจกันใช่ไหมหมายแบบคนบ้าไปแล้วคนเพี้ยนไปแล้วอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแล้วก็ทําอะไรแบบประหลาดประหลาดทำอะไรไม่ถูกต้อง ในทางธรรมะนี่ก็จะใช่คนที่เป็นโมฆะบุรุษนะโมฆะบุรุษคือแบบอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนให้ออกจากระบบไปก่อนคุณเป็นคนกลวงไปก่อนอย่างนี้นะคนคำว่าโมฆะบุรุษเนี่ยก็คือคนเปล่าคนว่างคนกลวงในหัวในกลวง ค, คือคือหลุดจากระบบไปก่อนอ่าแล้วก็ก็อเอาใหม่ตั้งใหม่ทําใหม่อย่างนี้อ่าเทียบได้กับคําว่าโมฆะบุรุษ ในใทางธรรมะว่าอย่างนั้นเถอดถ้าหลุดรักนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสติแตกต่ออีกนิดหนึ่งนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยในเรื่ความกลัวที่กราบเรียนฐานที่มตั้งแต่ต้นก็คือกลัวตัวเราเองจะได้รับความเดือดร้อนอแล้วก็ในลักษณะตัวอย่างของข่าวดังกล่าวก็คือว่ากลัวตัวเราเองจะกลายไปเป็นเหยื่ออาจจะต้องถึงปลายไปเลยหรือว่าอาจจะ เจ็บตัวอย่างมากเสียทรับเสียเลือดเสียเนื้ออย่างเงี้ยนะค ะ, <pper pper> ะกรณีคนใกล้ตายคือแค่รู้ว่าป่วยไข้ไม่สบายแล้วจะตายในระยะเวลาหนึ่งละข้างหน้าบางคนได้หมอบอกเลยนะคะว่าภายในกี่เดือนก็รู้สึก เหมือนตายตั้งแต่วันที่ทราบเลยค่ะท่านคะอย่างนี้ก็ก็ใช้วิชาเดียวกันได้ถูกต้องคือคือคนเราถ้าเราตั้งจิตไว้ด้วยความกลัวความกลัวเนี่ยมันเป็นเทือกเดียวกันกับอภิชาอิชาแปลว่าความไม่รู้แตาไม่เกิดความกลัวแล้วถ้าเราตั้งจิตไว้ด้วยความหวังความอยากไม่เป็นเทือกเดียวกับตัณหาตัณหากับอวิชาเนี่ยกโยมติวมันมาด้วยกัน ม, ม, มันทํางานเคียงกู้กันไปถ้ามีตันหาคุณนึกได้เลยว่ามันต้องมีอวิชชาอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยที่เรามาเกิดบนโลกนี้ได้ น, นะเพราะว่ามีความหวาดและความหวังนั่นเองคือมีอวิชชาและตันหานั่นเองอพระพรุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์มาเกิดขึ้นบนโลกเกิดมาแล้วก็เดิน7ดก้าวนั่นนะ่ะนั่นก็เพราะว่าความหวาดและความหวังยังคล้องอยู่ยังหวังอยู่ในโพธิญาณ น, นั่นถึงเป็นตันหางด้านแต่บําเพ็ญบริมีมา ก็เพื่อเป็นพระพุทธเจ้านะท่านพระสารีบุตรหรือใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้เพิ่งมาเกิดเนี่ยก็คุณต้องมีความหวาดและความหวังคืออวิชชาและตัณหาเป็นตอมอของจิตมาแน่นอนซึ่งมันจะทําให้เราทุกข์ไงมันจะทำให้เราปั่นป่วนกลัวนั่นอยากนี่หวาดและหวังมันไปเรื่อยถ้าไม่เกิดรากคะโทสะมวยอย่างนี่ว่าเราจะต้องตั้งจิตของเราใหม่ต้องตั้งจิตของเราใหม่เพราะว่าถ้าเราตั้งจิตของเราด้วย ความหวัดและความหวังคืออวิชชาและตัณหาเนี่ยมันก็จะมีราคาโทสะโมหเกิดอย่างที่ว่าไปตามกระบวนการที่อธิบายไปเมื่อครูเพราะฉะนั้นเชิงรองของจิตเนี่ยต่อหม้อของจิตเนี่ยรพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับแจกันหรือว่าหม้อที่มันมันก้นมันกลมๆนะเขาจะต้องมีเชิงรองหรือสเวียนรองก้นหม้อนะไม่งั้นหม้อมันจะกลิ้งหมุนไปได้ง่ายจิตเนี่ยถ้าไม่มีเชิงรองจิตไม่มีสเสวียนรองจิตเนี่ย จิตก็จะหมุนกลิ้งไปอย่างที่ว่าเนะี่ยไปตามกระแสโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเชิงเอาฐานเอาตอม่อมเนี่ยมารองจิตของเราใหม่ที่ไม่ใช่ตัณหาราวิชาเนะีสิ่งนั้นก็คือมาร์8เราต้องเอามาร์กแเนี่ยมันเป็นเชิงรองจิตของเรานะเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ไม่ไปตามกระแสโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวกลัวแล้วไงโอ้กูไอ้กลัวแล้วก็ยังคิดคิดดียังไม่พูดไม่ดีในะคิดดีคิดอะไร ก็คิดไม่เบียดเบียนตัวเองคิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดไม่ในเรื่องทางการคิดไม่เรื่องพยาบาทไอ้ที่ว่าเรากลัวว่าฉันจะตายเอานี่เป็นความคิดที่เบียดเบียนตัวเองนะพอมีความกลัวอย่นีจิตมางทีมันไปไม่ดีเอาเราทํายังไงเราก็ทําความดีอยู่ดีอ่ะถ้าเราจะเดินทางไปที่ไหนแล้วเราไม่ได้ผิดศีลนะให้ก็อย่างน้อยก็ยังสบายใจว่าเออฉันก็ยังมีศีล น, นะอันนี้ก็จะเป็นสัมมาสังกปปะของเราก็จะเป็นสัมมารกรรมตาสัมมาวาจาของเราอย่าน้อยเราอยนมาร์กแปดะอย่างเงี้ย เราก็จะสบายใจในระดับที่จะทำให้จิตของเรามีมรรคแปดอยู่ได้ค่ะ่าในกรณีที่คนไม่เคยรู้จักหนทางดังที่ท่านได้สอนในวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเจอเหตุการณ์สติแตกแน่ๆแต่ทีนี้ถ้าเรามีความรู้นี้แล้วก็เท่ากับว่าท่ากนกาลังบอกว่าให้รีบเดินตามทางทั้งแปดคือมรรคแปดรอเลยใช่ไหมคะเกิดเหตุการณ์แล้วแล้วก็อันนี้เป็นทักษะ คุณยอมดูมเป็นทักษะกรรมะทักษะเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝ น, น, นเช่นว่าการว่ายน้ําการขับจักรยานหรือว่าภาษาพวกนี้เป็นทักษะทักษะในการคํานวณทักษะในการพูดในที่ชุมช น, น, นพวกนี้เป็นทักษะหมดเลยคือถ้าฝึกแล้วมันจะจะดีถ้าไม่ฝึกบางทีมันไม่ดีแต่พอดีถึงจุดหนึ่งแล้วเออมันดีตลอดอย่างนี้มันก็ก็จะเป็นทักษะ แต่ที่เราต้องอาศัยการฝึกถ้าเรายังไม่ดีเอ๋บางทีเรายังมีจุดที่สติแตกเอางี้คุณต้องฝึกฝึกทํำยังไงก็อย่างที่ทําตอนต้นรายการเออเรามีเวลาที่เราฝึกให้มันดีตอนเช้าตอนเย็นฝึกนั่งสมาธิอันนี้ดีทีนี้พอเราทําได้ดีถึงจุดหนึ่งแล้วเนะี่ยบางทีก็อาจจะห่างน้อยหรือว่าทําได้ในทุกระยะบทอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะดีขึ้นมาค่อยๆดีขึ้นมาค่ะเท่ากับ อ่าต้องมามีความรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าหนทางทั้ง8ดหรือมัดแปนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะได้ทําตามได้ถูกใช่ใช่ที่ว่าต้องฝึกแบบเป็นทักษะเนี่ยฝึกในอะไระทำยังไงในรายละเอียดเราจะเจออุปสรรคปัญหายอย่างไรแต่และอุปสรรคปัญหาที่เจอเราจะแก้อย่างไรพวกนี้จะมีในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละค่ ะ, ะรบกวนท่านได้บอกท่านผู้ฟังสั้นๆเลยได้ไหมคะมว่ามัดทั้ง8ดนั้นเป็นอย่างไรอ่าก็จะแยกเป็นส่วนที่ เป็นศีล น, นะคือถ้าย่อๆเหลือสามนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาค่ะส่วนที่เป็นศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมมตาและก็สัมมาชีวะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของกายเรื่องของวาจาค่ะนะสมข้อละส่วนที่เป็นเรื่องของสมาธิก็คือทำยังไงให้จิตมันตั้งอยู่ได้มีกําลังมีพลังอันนี้ก็จะมีอีกสัมมาสามข้อคือสัมมาวายามะสมาสติและก็สมาสมาธิอันนี้คือเกี่ยวเรื่องของ ให้มีกําลังมีสมาธิทีนี้ในข้หมวดที่3ส่วนที่3คือเรื่องของปัญญาอันนี้คือความคมละนามีดนั่นจะมีกําลังนี่นคือเรื่องของสมาธิมีกําลังแล้วมันคมไหมความคมตรงนี้คือส่วนของปัญญาก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะสามอย่างในเรื่องของศีลสอย่างในเรื่องของ ส, อางองสมาธิสอย่างในเรื่องของปัญญารวมกันเป็นมรแปดมรแปดตรงนี้ เราสามารถทําคือมันต้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคือไม่ใช่ว่าทําอันใดอันหนึ่งคือคือใช่อยู่บางทีเราอาจจะเริ่มจากวาจาของเราเริ่มตรงนี้แล้วก็ทําให้มันได้รอดไปทุกๆด้านไม่ใช่เฉพาะฉันจะพูดวาจาดีกับคนที่ฉันรักแต่คนที่ฉันเกลียดนี่ก็จะใส่มันเต็มที่อย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่ได้ทุกด้านของคุณแต่มันก็ยังมีที่หลุดที่โบที่ว่างอยู่ก็ยังไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ใ น, ในเรื่องมารกแปดเนี่ยเราฝึกทำให้จนเป็นธรรมชาติเลยจนเป็นนิสัยเลยจนเป็นสีนของเราเลยคำว่าสีนี่คือเป็นปกติเลยมันจะดีในทั้งชีวิตส่วนตัวด้วยคือช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วคนรอบข้างที่เกี่ยวเนื่องกับเราเขาก็จะได้รับกระแสะแห่งความรักความเมตตากระแสะความไม่เบียดเบียนกระแสะความกื่อหนุนช่วยเหลือกัน จากคนที่มีธรรมะแล้วเขาก็จะได้รับไปด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เขาแบบจุดเทียนขึ้นอย่างเงี้ยนะค่ะคือตัวเองก็สว่างด้วยแล้วก็ทําให้คนข้างๆเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะหเห็นด้วยก็จะดีกันไปทุกคนเลยค่ะนะคะก็คงได้ความราากระจ่างกันพอสมควรอ่าดิฉันมีคําถามที่จะกราบเรียนถามท่านพิจารณาว่าคําถามนี้น่าจะตอบได้ ภายในเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักนะคะเป็นคําถามของคุณนัทชาเกี่ยวกับการที่เคยให้เงินคุณพ่อมาหลังจากทํางาน17ปีก็ให้มาสัก15ปีนะคะแต่สองปีหลังเนี่ยไม่ได้ให้เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะรับผิดชอบมากทั้งเรื่องลูกเรื่องสามีก็เลยให้น้องชายซึ่งตัวเองก็เคยเป็นคนสมเสียให้น้องเรียนมาเนี่ยเป็นคนให้เงินคุณพ่อแต่ว่าตัวเองรู้สึกอึดอัด เวลาทําบุญก็คิดถึงคุณพ่อเสมอแล้วจิตใจเศร้าหมองพอวันหนึ่งได้ฟังพระอาจารย์คงหมายถึงท่านเนี่ย น, นะคะกล่าวว่าเราบุตรทุกคนต้องนึกถึงบิดามารดา ก, ก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงสามีและลูกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็เลยอยากเปลี่ยนถามพระอาจารย์เพื่อชี้แนะแนวทางที่กล่าวถึงคุณพ่อคนเดียวเพราะว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วค่ะโอเคอันนี้เป็นหน้าที่ในการใช้จ่ายทรัพย์ว่าเวลาจ่ายทรัพย์เนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ ว่าแบ่งเป็น4ีส่วนยังไงบ้างในส่วนแรกตรงนี้แหละในส่วนแรกตรงนี้ที่ว่ามีการจัดจ่ายเลี้ยงตนเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยานนั้นไล่ไปตามลําดับพระบุตรเจ้าบอกอย่างนี้นะให้บริหารจัดการให้ใช้จ่ายโดยเหมาะสมโดยถูกต้องณที่นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําตรงส่วนหน้าที่นี้้ก็จะมีความบกพร่องไปเพราะฉะนั้นอย่างคุณชชาพอไม่ได้ให้พ่อเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่ดี อันนี้มันถูกแล้วแสดงว่าจิตใจของเรามีฮิริโอตปะมันมันถูกต้องอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าธรรมะในใจเรามันมาเตือนน่ะว่าเอ้ยฉันไม่ได้ให้พ่อหน้าเราก็ควรจะต้องแบ่งให้แต่คำว่าแบ่งให้เนี่ยหมายก็ว่าร้อยหนึ่งส0 0ร้อมันก็เป็นเงินนะคุณโยมเตียวมันมันให้ก็อย่างดีอ่ะสมมติคุณใส่บาตรทุกวันหรือว่าคุณไปว่าคุณก็ยังถวายปัจจัยบ่มรุงวัดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถวายมากอะไรอาจจะร้อยส0งอหรือ500ร้อยันหนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหม <c oughs> เราก็ควรจะให้บิดามารดาของเราเนี่ยน้อยก็ให้แต่มากก็ให้เถอะยังไงต้องมีเพื่อให้หน้าที่ของเราเนี่ยสมบูรณ์ใ <c oughs> นพระพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์ของเธอส่วนใดเนี่ยนะหมดไปสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมคือการกระทําในสีหน้าที่เนี้ยชื่อว่าใช้ใจ่ายไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องโดยชอบไม่ใช่อริยวงถ้าเราต้องการจะรักษาอริยวงนั่นคือวงสกุลของพระอริยเจ้าสากยะวงเนี่ยคือคุณบอกคุณเป็นคนพุทธใช่ไหมล่ะ คุณแบบในปร ะ, ประชาชนคุณเขียนว่าพูดคุณก็ยังฟังเทศฟังธรรมเอางั้นเราต้องรักษาวงตรงนี้นะโดยการที่เอาเงินแบ่งเงินให้มาดาพิดาก็จะแบ่งเท่าไหร่ก็ไดม้มันไม่ใช่ประเด็นนะให้มันมีความเหมาะสมกับการที่เราจะต้องใช้จ่ายอย่างน้อยเรายังคิดถึงท่านอันนี้มันเป็นข้อดีนะหรือบางทีเราเดินทางไปเยี่ยมท่านบ้างเราต้องหาอาหารไปให้ท่านกินนะท่านนะเลี้ยงดูเราเราต้องเลี้ยงท่านตอบอันนี้ยังไงต้องเป็นหน้าดีนะจะให้น้องมารับ น้องรับเราก็ทำด้วยแต่มันเป็นบุญของเราอะ่ะสมมติรเราเราไปวัดเราทำบุญให้วัดเราก็ได้บุญเราให้สุนักเรายังได้บุญเลยแล้วทำไมให้พ่อแม่จะไม่ได้บุญมากน้อยก็ควรให้ในนิควาเมตมานะก็จากประสูนย ต, ต, ต่างๆที่พระรูชาสอนไว้นั่นเองค่ะก็หมายความว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยให้เธอใช่ให้พ่อแม่จะดีได้ทำหน้าที่ตามกำลังความสามารถ ใช่มากน้อยก็ให้มีรเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตที่จะเสริมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะนะคะแต่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะ่ค่ะอ่าฉันเองก็มีความเชื่อนะคะว่าถ้าเป็นลูกแล้วมีงานมีการทําของตัวเองจะน้อยเพียงไรเมื่อเรามีโอกาสหาเงินใช้ได้เองแล้วต้องแสดงความเป็นลูกที่กระตันอยู่ที่จะมอบ เงินให้กับพ่อแม่ของเราหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งออกมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราและดิฉันเชื่อว่านั่นแหละเห็นผลทันตาจากที่เคยสังเกตมาจากคนรอบข้างนะคะใครที่ทําหน้าที่แบบนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินอน้อยนิดชีวิตเขาเจริญใช่ใช่เรามาเห็นด้วยกวรจะต้องทำอย่างนั้น น, น, นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนโดยสอดคล้องกันค่ ะ, ะก็หวังว่าคุณณ ช, ชา คงสบายใจที่ฉันเข้าใจมากเลยนะคนเราเวลามันมีเงินน้อยนะแต่มันอยากใช้มากและคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรใช้แล้วไม่มีใช้น่ยมันคับข้องใจขนาดไหน <c oughs> ค่ะก็คงจะสมควรแก่เวลาสําหรับรายการในวันนี้นะคะท่านคะค่ะกราบพระสการท่านพระมหาภพายบุตรอภิปุนโนนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเล็กเรนต์อยู่ที่วัดป่าดอนายโซจังหวัอดอุดรธานีทํานหน้าที่ของท่านอย่างสรรม่ำเสมอในการที่จะให้ท่านทั้หลายไปฝึก การปฏิบัติธรรมกันที่วัดของท่านนะคะที่อุดอรค่ะส่วนหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่ธรรมะผ่านทางสื่อท่านจะทำเยอะแยะมากมายรวมถึงที่รายการสัมสนสมนาโดยมีดิฉันสัมสี้าพงเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ FM ็มรสทรอนะคะวิทยุครอบครัวข่าวนี้ด้วยวันนี้เราก็คงจะบอกกับท่านทั้งหลายนะคะว่าถ้าสนใจที่จะได้ ซีดีบันทึกรายการนี้ในช่วงของปีที่ผ่านมาฟังกันอย่างจุใจล่ะคะและธรรมะนั้นยิ่งฟังซ้ำยิ่งได้ปัญญาก็ติดต่อไปที่สถานีวิทยุหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้นะคะคอยฟังให้ดี021266106 021266106 พร้อมทั้งเมื่อคุยกันแล้วเขาก็จะให้ท่านส่งชองกับสแตมประมาณ20บาทเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้จัดส่งซีดีนี้กลับไปให้ท่านสำหรับวันนี้เราเวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ